รรมชาดกแผ่นที่6ลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่28กันยายน2548มีชื่อเรื่องว่าอย่าเชื่อคำทํานายวันนี้พระ ลงมาฉันสิบสามงดฉันสิบห้าพระลงมาฉันน้อยวันนี้ฝนตก<ม>การลงมาฉันหรือไม่มาฉันเป็นสิทธิ์ขององค์นั<ม>้นให้เป็นหน้าที่ขององค์นั้นเป็นผู้ตัดสินหลวงพ่อไม่ได้มีการบังคับไม่ได้มีการ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 โดยที่ไม่ได้ใจ ต, ตรองโดยที่ไม่ได้ใขว่คว้พิจารณาอดีตอนาคตปัจจุบันกิจการงานของเราก็ไปเป็นกระชังกระตายเป็นวันวั น, วนไปทอนนั้นเองแต่เราทบทวนดูข้างหลังทําไมมันไม่ก้าวหน้าทําไมมันเป็นลักษณะอย่างนี้มันเป็นเหตุมาอย่างไรควรจะสร้างเหตุให้ดีขึ้นไหม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 มันอยู่ในนิทานเรื่องนี้่า ง, งั้นแต่นิทานที่หลวงพ่อจะพูดให้ฟังจะเป็นชาดกเนี่ยในสมัยหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินเมืองกะลิงกะลาดเมืองกะลิงคะเป็นในยุคสมัยนั้นก็เป็นเมืองใหญ่เป็นที่ยอมรับคนทั่วโลกว่าเป็นประเทศที่ว่ามั่งคั่งสมบูรณ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 แต่ที่มีลูกสาวสี่คนพระเจ้าเป็นดินนั่นใส่ยานใครขาใส่ยานใส่นี่แหละใส่รถในยุคสมัยนั้นเทียมด้วยมาไปตามเมืองต่างๆใครเข้าถ้าพูดแบบภาษาอีสานบ้านเราเ็า่าแกงเท้าหาเสียนเหมั้นกันกอ่า ภาษาถ้าพูดเป็นภาษากลางก็ว่าอะไรกลางรหาเรื่องเหาเรื่องใส่ตัวเองหาเรื่องใส่หัวตัวเองว่าคานี่เก่งแต่ที่กระทรงลูกสาวไปตามในนาชรถบอกว่าถ้าว่าไปถึงประตูเมืองไหนถ้าบอกประตูเมืองนั้นยอม อเอาเครื่องบรรณาการใส่รถบรรณาการให้ลูกสาวแต่ถ้าหากว่าใครก็ตาม อ, อถ้าหากว่าจะต่อกรซื่อสู้ศึกสงครามแล้วก็ให้รับลูกสาวยึดลูกสาวเลยแล้วประเทศนั้นจะเห็นดีกันนะแต่โลกเนี้มันไม่ใช่มันมีแต่ดอกกุหลาบปูด้วยพรมไหมมันมีขวากมันมีหนามไหมมันมีหินโศโครก มันมีอะไรครบทุกอย่างแต่ไปเจ้าเมืองคลินคาเนลืมคิดไปว่าตัวเองเก่งลูกเดียวว่างั้นเด็ดเนี้ก็ไปถึงเมืองหนึ่งแต่เมืองนี้หลวงพ่อจําชื่อไม่ได้ดีเดียเมืองอะไรสเปซะหรืออะไรลักษณะอย่างนี้ก็ เ, ออเป็นภาษาบาลีเทนี้มีอัมมาดเต้าพลหนึ่งอัมมาตก็คือทหารใหญ่ของเมืองนั้นเขาก็เตรียมเมืองเขาไว้เหมือนกัน พอมากเกิดเขาก็ส่งมาส่งมากับทหารอัมมัดเนี่ยทหารใหญ่คนนี้เอาเอาเลยรับเลยเปิดประตูเข้ามาเลยเยยึดนางสีนางนั้นเลยมอบให้แก่พระเจ้าอยู่หัวของเราเออพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ยุคนั้นสมัยนั้นท่านมันก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วงนะั่นเดี๋ยวพนางพญาเนี่พระยาแผ่นพระเจ้าแผ่นดินก็ได้ อักขมเหสีพร้อมกันสีอะไรแบบนั้นเถอะทีนี้ก็พอยึดแล้วทีนี้ส่งข่าวไปถึงไปเจ้าเมืองขลิงคะพระบิดาทางนู้นน่ะท่านนั้นก็โหโมโหจัดเหมือนกับไปกระตุกหางราชสีอะอย่างงั้นอ่ะเอหรือไปเหยียบหา ง, งูเห่างูจงอางอย่างนั้นอ่ะแผลไม่เบี้ยเต็มที่เลไรอย่างนั้นเถอะเกจมาตะคุบเมืองเนี้ยหาว่าเนี่ยเก่งกล้าสามารถ ยึดพัติดาของตนเองแต่นี่เขาก็ส่งกองทัพมาเลยเหมนนั้นแต่ส่องกองทัพใหญ่เข้ามาเลยทางนี้ก็ส่งกองกองทัพไปยันไว้เหมือนกันเหมือนนั้นแต่ไปยันกันในระหว่างเมืองต่อเมืองพอยันกันเสร็จแล้วก็เจตจากขขณะนั้นนะ่ะพอมาพักศึกแล้วแต่นี่ระเจ้าเมืองคาริงคานะ ยึดเห็นฤๅษีท่านหนึ่งอยู่ในภูเขาแถบนั้นน่ะใกล้ๆนั้นน่ะฤๅษีฤๅษีตาทิพย์คนนั้น่ะฤๅษีตาทิพย์เนี่ยคล้ายๆมองเห็นอดีตอนาคตปัจจุบันใครจะเป็นยังไงฤๅษีจะรู้ได้ทั้งหมดฤๅษีนี่ยฤๅษีตาทิพย์คนนั้นในยุคสมัยนั้นเขานับถือฤๅษีคนนั้นอยู่ตรงนั้นพระเจ้าแผ่นดินเมืองกรุงคชาก็เลยเข้าไปหาฤๅษีท่านฤๅษีครับผมสู้ศึกสงครามคราวนี้ ผมจะชนะไหมหรือศีก็บอกว่าเอออย่างอาตมายังตอบไม่ได้เดี๋ยวจะถามพระอินทร์ก่อนเดี๋ยวพระอินทร์จะมาคืนนี่แหละแล้ววันรุ่งขึ้นยังค่อยมาถามอีกนะเดี๋ยวตาหมาจะให้คําตอบครับแต่นี่เมืองคลิงฆ่าก็กลับไปพอกลับไปวันรุ่งขึ้นมาอีกแต่นพระพระอินทร์ก็มากลางคืนนั่นแหะมาหา หรือสีหรือสีก็ถามว่าเนี่ยพระองค์ท่า น, นการสู้ศึกสงครามพระเจ้าปรบดินเมืองคลิงคาเข้ามาถามว่าการสู้ศึกคราวนี้จะชนะไหมพระอินทร์ก็ตอบว่าพระเจ้าเมืองคลิงคะเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะแน่นอนเพราะเขาใหญ่พร้อมหมดทุกอย่างเมืองนั้นแพ้ ท่า น, นี้ก็พอพูดแล้วก็พอลันวันลุงขึ้นเมืองคลิงคะก็าามามาเขามาถามว่าเป็นไงผมฝ่ายไหนจะชนะพระฤาษีหรือตาทิพย์นั่นก็บอกว่าพระองค์จะเป็นฝ่ายชนะถามพระอินทร์ดูแล้วเมื่อคืนนั่นเลยสิใครจะมาต่อกรผมได้ผมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในปฐพีอยู่แล้วมันจะมาแยมได้ยังไง เบ่ยงขี้อวดอีกต่างหากเมื่นั้นกัน <c oughs> จากนั้นก็ไปลเลยเสร็จพอไปเสร็จแล้วกันฝ่ายฝ่ายตรงข้ามเมืองจะเป็นสเปตะในอะไรเนะี่ยเขาก็นับถือฤาษีนี้เหมือนกันเขาก็เข้าไปหาอัมมาตแต่พระเจ้าพอดีไมนได้เข้าไปหานะอัมมาตคนที่จะต่อสู้เมื่อนั้นพราพระเจ้าพอดีนเนี่ยไม่เอาอจะแล้ว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 เป็นเครื่องบ่งบอกล่วงหน้ามีไหมนี่อันนี้กนครอขา้าวปัญญาเข้ามาเลยนะถามหาเงื่อนงำาหมือนนจะมีไหมมีอะไรไหมเป็นเครื่องบ่งบอกว่าจะเป็นฝ่ายแพย้ฝ่ายชนะล่วงหน้าหรือสีตาทิปบอกว่ามีคือในขณะที่ยกพลไปสู้กันในระหว่างที่ยกคลตรุ่มบอลกันกาลังจะเข้าศึกสงครามกัน พระเจ้าแผ่นดินต่อพระเจ้าแผ่นดินจะขี่ม้าไปฟันดาบกันนะจะมีโคสองตัวมีวัวอยู่สองตัวถ้าหามว่าวัวฝ่ายไหนเป็นฝ่ายขาวฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายชนะถ้าเป็นฝ่ายดําฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายแพ้ให้เห็นกันแล้วกันแต่มันจะชนกันถ้าหาว่าวัวฝ่ายแพ้คือวัวดํา วัวฝ่ายชนะก็คือวัวขาวปอดท่านอมานได้ยินนะครับผมกาบปลาฤๅษีแต่ว่ายังไงก็ต้องแพ้แน่วางันเถอแต่ว่าความแพ้ของอมานคนนีนะ้ไม่ยอท้อเพียงแค่นั้นฝึกฝนทหารตัวเองอย่างเข้มงวดขวดขันที่สุดเลยว่างั้นเถอทหารของตัวเองแปลว่าทหารสู้ตายของตัวเองอยู่ในกายของตัวเองพันหนึ่งว่าั้นเถอะและทะหารภูมิภาอีกเป็นหมื่นว่างั้นเถอะ แต่ทหารสู้ตายเนี่ยพันหนึ่งให้คาว่าทหารสู้ตายหนึง่งเนียตัวเองยังไงก็ต้องอย่างนั้นๆๆเหมือนกันเอยทีนี้ก็เอาทหารสู้ตายของตัวเองขึ้นไปบนภูเขาไปถึงภูเขาแล้วอบรมทหารทหารหารทั้งหมดเรารักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไหมทหารก้อยใช่ครับพร้อมกัน เอาถ้าพวกเรารักชาติเสียสละเพื่อพระเจ้าไป็นจริงเอาโดดหน้าผ า, าให้ทหารทั้งหมดพกองพันหนึ่งเหมือนนันกระโดดหน้าผาทหารเขาวิ่งกู้ไปจี่กระโดดหน้าผาจริงๆพอจะกระโดดเออแม่ทัพใหญ่ก็ยศทหารเอพวกเราทั้งหลายเราเห็นแล้วพวกท่านเสียสละเพื่อชาติจริงๆตายได้เพื่อชาติเอา้ายศ อ้าลงไปพอลงไปถึงในเมืองเสร็จแล้วก็ไปพูดกับพระเจ้าแผ่นดินบัปผมได้ไปถามฤาษีตาทิพย์ดูแล้วว่าในขณะที่สู้ศึกสงครามนั้นจะมีบัวปอดบัวฝากขาวปอดกับบัวดำแต่วัวดำนะั้นเป็นบัวของพวกเราเพราะเป็นฝ่ายแพ้เพราะนั้นขณะที่เข้าไปสู้ตรุมบอลกันนะ จะเห็นได้ตั้งแต่พระเจ้าเป็นดินสองคนสององค์เท่านั้นฝ่ายเขาก็ฝ่ายเราแต่พวกผมไม่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นในขณะที่พระองค์เห็นวัวสองตัวชนกันนั่นน่ะให้พระองค์เนี่ยเอาดาบสามง่ามเนี่ยไปแทงท้องวัวขาวตัวนั้นเลยเนั่นแล้วก็ตะโกนร้อยหมดตัวหม ด, ดเอาแทงตรงนี้แทงตรงนี้อว่างั้นพร้อมเหมือนนั่นทีนี้ก็ ถึงข่าวแล้วกันบอกทหารอีกในเมื่อพระเจ้าแผ่ดินวิ่งไปแทงจึงนั้นให้พวกเราทั้งหลายลงไปกดลงตรงนั้นพร้อมกัน อ, อพร้อมตะโกน เ, เลยเราชนะแล้วบอกพูดอย่างนั้นด้วยผลที่สุดก่อนนัดกันเสร็จเรียบร้อยจะยกผลเข้าไปหากันพอยกผลเข้าไปในระหว่างกลางก็เห็นวัวสองตัวจริงๆออกมาคนละข้างกับโดดไปชนกัน ในระหว่างกลางพระเจ้าเปดินต่อพระเจ้าเปดินจะตลุงบอนกันว่างั้นอา ม, มาดก็เห็นว่าเห็นไหมเห็นวัวไหมเห็นเห็นบัวไหมพระเจ้าเป็ดินก็เห็นเห็นเห็นว่างั้นเอาเอาเลยเอาเลยพระเจ้าเป็นดินคนนี้กจะห อ, อกได้ก็วิ่งไปไปกดเข้าไปท้องบวกข่าตัวนั้นว่างั้นก็ตะโกนให้ทาหารเข้าไปช่วยแทงเข้าไปอีกแล้วก็ตะโกนเสียงดังเขาอีก เราชนะแล้วแต่นี้พระเจ้าเป็นดินทางนูน้นไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรคิดว่าตัวเองจะชนะเลยก็ไม่ได้เตรียมการอะไรไว้ทั้งหมดปล่อยปะละเลยไม่ได้เตรียมกองเตรียมการว่ายังไงก็ต้องชนะอผลที่สุดเหมือนกับถามผีตายเหมือนกับถามคนตายมาสู้สงครามอย่างนั้นน่ะเหมือนคนตายมันจะสู้ได้ไงถามมันสู้หมากับหมากกัดกินเล้วย่างั้นเลถามไปสู้อะไรมันก็กินหมดน่ะเพราะมันคนตายแล้ว ท่านี้พอตะโกนท่านั่นเลยวิ่งหนีเลยทะเนี่ยแตกทับกระจิงในทับใหญ่เหยียบกันแล้วนร่แล น, นาตาีกต่างหากเนี่ยก็ดา่าด่าลือศีอย่างนี้ลือศีโกโหกลือศีไม่มีศีลลือศีเนีไม่มีคุณธรรมโกโหกกว่าเราจะชนะบอกว่าเราเป็นเราทําไมจึงแพ้ได้ลือศีอย่างนี้ใช้ได้ยังไงในโลกเออด่าลือศีอีกต่างหาก แนี่ก็กลับไปพอกลับไปฤือีก็รู้แล้วว่าพระเจ้าประนินเมืองคลิงค่าเนี่ยแพ้แล้วภายทัพแหละแพ้แล้วตอนนี้นตกกลางคืนมาพระอินทร์ก็เข้ามาหาอินทร์มาหากลือศีก็ถามถามพระอินทร์บอกว่าท่านเป็นเทวดาทําไมท่านโกหกได้เหรอท่านบอกว่าพระเจ้าเมืองคลิงค่าเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะแต่บัดนี้เป็นฝ่ายแพ้เสร็จแล้ว เทวดาโกหกเป็นอยู่เหลอเทวดาเทวดานโกหกได้อยู่เลยพระอินทร์บอกว่าเทวดาเนี่โกหกไม่ได้พูดตามความเป็นจริงแต่ว่าพญาเมืองคลิงค์านี่ไม่พร้อมสักอย่างไม่เตรียมพร้อมสักอย่างเป็นผู้อ่อนแอเป็นผู้ประมาทเหมือนกับคนตายแล้วจะหามมาสู้กับคนที่เขาพร้อมอจะได้ยังไงคนที่กล้า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 เพราะว่าอ่อนแอไม่ได้เตรียมพร้อมดูในความประมาทคิดว่าตัวเองจะชนะเพราะฉะนั้นจึงไปเป็นฝ่ายแพ้แต่เมืองตรงกันข้ามเนี่ยเขาไปพูดเตรียมพร้อมวางแผนไว้ดีเขาจึงเป็นฝ่ายชนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เตรียมพร้อมมาอยู่เสมอเนี่ยถึงจะเป็นคนกลุ่มน้อยก็จริงแต่เขามีความพร้อมเพียงสา ม, มัคคีกันน้ำนึ่งใจเดียวกันขนาดขึ้นบนหลังเขา ปากาศให้กระโดดหน้าผาเขาพร้อมที่จะกระโดดตายแทนพระเจ้าเป็นดินของเขาได้เพราะนั้นเขาจึงเป็นฝ่ายชนะแต่นนก่ก็จะทำยังไงได้ตัวเองก็กลับไปอันนี้แหละเพราะพระพองค์เพราะพทธเจ้าท่านยกนิทานสาธข ค, คืนมาแล้วท่านจึงสรุปว่าบุคคลใดก็ตามพระสงฆ์ใดก็ตาม ผู้ใดก็าตามถ้ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความบักบัน่นจะเป็นฝ่ายชนะได้แต่ถ้าว่าผู้ใดมีแต่เชื่อเขาทํานายว่าอย่างนี้แล้วกันนองคอยงอมืองอเท้าคิดว่าเออราชรถจงมาพาดมาเกยเราเราก็คงจะมีความสุขอย่างที่เขาทํานายทายทักมีแต่ความร่มจมจะเข้ามาสู่เขา